เอาหนะ้าอย่าซีเรียกเรื่องแทงไม่ตายวันก่อนหลวงพ่อไปที่ภูเก็ตมีการจัดงานใหญ่โต ร่างทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์กันหน้าดูแทงลิ้นแทงคอแทงแขนแทงขาแทงท้องเดินลุยไฟอาบน้ำมันเดือดเดิดเดนบนดาบเอามีดฟันไม่เข้ามันโฆษณาว่าเป็นของแท้ของจริงพิสูจน์ได้หลวงพ่อเป็นคนชอบพิสูจน์ ส่งคนไปเจนราจาเลยไปติดต่อบอกว่าจะจ้างไปเป็นทหารคอยปราบปรามยาเสพติดที่ชายแดนให้ค่าจ้างเดือนละสองแสนปัจจุบันมันยิงกันบ่อยทหารตายเยอะเสียงบประมาณแผ่นดินไอ้พวกนี้ยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าพอยิงเปรี้ยงมันลุกขึ้นมาลุยต่อ แทงสวบมันลุกขึ้นมาลุยต่อหลวงพ่อจะให้เงินเดือนเดือนละสองแสนเลยมันไม่เอาแฮะเดินหนีหมดไม่มีใครกล้ารับเงินเดือนสองแสนบาทไอ้พวกร่างทรงพวกนี้หลอกลวงทั้งนั้นมันไม่แน่จริงนี่หว่าไม่กล้ารับคำท้าพระถ้ามันรับเป็นทหารให้หลวงพ่อนะ่ะ รับรองทหารไทยจะดังไปทั่วโลกเลยยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าจะไม่ให้ดังได้ยังไง